ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยะสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ยี่สิบปดจะตุปัจจยะภาชนิยวินิชยกาถากาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกแบ่งปัจจัยสีต่อ ส่วนในการแจกบิณฑบาตมีเนื้อความดังต่อไปนี้เพื่ทราบวิธิใัยในสังฆพัสเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนทิฏฐิทั้งหลายเราอนุญาตสังฆพัสอุเดสะพัตนิมันตณะพัสสลากะพัสปักขิกะพัสอุปสถิกะพัสปฏิปาติกพัสที่ชื่อว่าสังฆพัสได้แก่ พัดที่ทายกถวายแก่สงฆ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นในสังกพัฒไม่มีลำดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในสังกพัฒน์นั้นภิกตุทั้งหลายไม่ควรกล่าวอย่างนี้ว่าสิบวันหรือสิบสองวันทั้งวันนี้แล้วเฉพาะที่พวกเราฉันแบบนี้ท่านจงนิมนต์ภิกตุจากที่อื่นเถิดทั้งไม่ได้เพื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่าในวันก่อนๆพวกเราไม่ได้เลย บัดนี้ท่านจงให้พวกเรารับสังคพัตนนั้นบ้างดังนี้เพราะว่าสังคพัตนนั้นย่อมถึงแก่ที่ษุผู้มาแล้วมาแล้วเท่านั้นดังนี้ก็คือสังขพัฒนี้ใครมาก็แจกไปตามลำดับพรรษาในอุเทสภัฒเป็นต้นมีนายดังนี้ เมื่อพระราชาหรือมหาอมาของพระราชาทรงคนไปนิมนต์ว่าท่านจงเจาะจงสงนิมนต์พวกภิกษุมาเท่านี้รูปดังนี้อุเศสภัสนี้ก็ต่างจากสังกพัฒก็คือถ้าสังกพัฒนนี้ก็หมายถึงนิมนต์ไม่เจาะจงนิมนต์กับพิสุสงหรือว่าถวายพระทหารจะสงทั้งหมดเลยหรือว่านิมนต์จากพระพตุทเทศพระพุทเทศก็แจก ไปตามลำดับแต่ถ้าอุเดนสพัฒนนี้ก็นิมนต์เจาะจงจักสงพระพัตุเทศพึงแจ้งเวลาถามหาลำดับถ้าลำดับมีพึงให้รับตั้งแต่ลำดับนั้นถ้าไม่มีพึงให้รับตั้งแต่เทระอาจลงมาพระพัตุเทศอย่าพึงข้ามลำดับแม้แห่งพิสุผู้ถือเที่ยวบินธบสียอันพิสกผู้ถือเที่ยวบินธบานเหล่านั้นเมื่อจารรสาธุดง จัข้ามลำดับเสียเองก็คือพระที่รักษาทุดงท่านก็จะไม่รับสังกัปไม่รับอุเดสกัปท่านก็จะข้ามไปเองแต่ว่าพระพระุทธเทศนั้นไม่ถึงข้ามเมื่อให้รับอยู่โดยวิธีอย่างนี้พระมหาเถระผู้มีปกติเฉยชามาภายหลังอยากกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ากําลังให้พิจุยี่สิบปันสารับลําดับของท่านเลยไปเสียแล้ว เพงเว้นลำดับไว้ให้พระมหาเถระเหล่านั้นรับเสร็จแล้วจึงให้รับตามลำดับในภายหลังอันนี้ก็อนุเคราะห์พระเทระถ้าหนาจจะมาช้าสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านมาถึงก็ให้ลำดับที่ถึงนั้นแก่ท่านแล้วค่อยให้ไปตามลำดับปรญหาต่อไปเทียสตูทั้งหลายได้ฟังข่าวว่าที่วัดนูนอุเดสพสัเกิดขึ้นมากจึงพากันมาแม้จากสำนักซึ่งมีในระหว่างโยอหนึ่งก็คือสิบหกกิโลเมตร พึงให้ที่สูจเหล่านั้นรับจําเดิมแต่สถานที่พวกเธอมาทันแล้วทันแล้วยืนอยู่เมื่ออันเทวสิษ์เป็นต้นจะรับแทนอาจารย์และอุปชาแม้ผู้มาไม่ทันแต่เข้าอุปจาระศีมาแล้วพึงให้รับเถิดแม้มาไม่ทันแต่ว่าเข้าอุปจาระศีมามาแล้วให้รับแทนได้พวกเธอกล่าวว่าท่านจงให้รับแทนพิสูจทั้งหลายผู้ตั้งอยู่นอกอุปจาระศีมาอย่าให้รับ ถ้าอยู่นอกอุปจาระสีมานี้ก็ไม่มีสิทธิ์แต่เชาวว่าภิกตุผู้อยู่ที่ประตูวัดหรือที่ภายในวัดของตนเป็นผู้เนื่องเป็นอันเดียวกันกับทิกสุทั้งหลายผู้เข้าอุปจาระสีมาแล้วสีมาจัดว่าขยายออกด้วยอำนาจบริสัทธก็คือพระภิกตุขยายออกไปจากอุปจาระวัดมากแค่ไหนสามารถที่จะรับผัดนี้ได้เหมือนกับรับจีวรเพราะฉะนั้นพึงให้รับ แม้เมื่อให้แก่สังฆานวักะคือพิสุที่ใหม่ที่สุดในสงฆ์เนี่ยแล้วก็ควรให้พิสุทั้งหลายผู้มาภายหลังรับเหมือนกันก็คือให้แก่พิสุใหม่แล้วก็ใครมาที่หลังก็ให้ไปตามลาดับอีกแต่เมื่อส่วนที่สองได้ยกขึ้นสู่เถร่าอดแล้วส่วนที่หนึ่งย่อมไม่ถึงแก่พิสุผู้มาทีหลังพึงให้รับตามลาดับพรรษาตั้งแต่ส่วนที่สองไปถ้าส่วนแรก แจกจ่ายกับพระเทรซาไปแล้วก็ํำดับนาที่เหลือก็นับต่อไปตั้งแต่ลำดับที่สองในวัดหนึ่งอุดเดสะพัทที่ทายกกำหนดสถานที่แจกพัดไว้แห่งหนึ่งแล้วบอกในที่ใดที่หนึ่งในอุปจาระศีมาแม้มีประมาณคาวุธ1หนึ่งคาวุธ1หนึ่งก็ประมาณ km, สี่กิโลเมตรสี่คาวุธก็เป็นหนึ่งโยต์สิบหกกิโลเมตรต้องให้รับในสถานที่แจกพัดนั้นแล ทายกผู้หนึ่งส่งข่าวแก่พิกสุรูปหนึ่งว่าเฉพาะพรุ่งนี้ขอท่านเจาะจงสงส่งพิกสุไปติดรูปพิสุนั้นพึงบอกเนื้อความนั้นแก่พระพัฒนุเทศถ้าวันนั้นเธอลืมเสียรุ่งขึ้นต้องบอกแต่เช้าถ้าลืมเสร็จแล้วจะเข้าไปบิณฑบารจึงระดึกได้สงยังไม่ก้าวล่วงอุปจารราีมาเพียงใดพึงให้รับเนื่องด้วยลำดับตามปกติในโรงฉันเพียงนั้น ท่าลืมหรืทั่งจะถึงเวลาบินทะบาทแล้วถึงจะนึกได้แตนถ้าหมู่สง์ยังไม่ออกจากถีมานี้ก็ให้นับตามลําดับเลยแม้ถ้าพิจุทั้งหลายผู้ก้าวร่วงอุปจาระศีมาไปแล้วเป็นผู้เนื่องเป็นแถวเดียวกันกับพิจุตทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในอุปจาระศีมาคือเดินไปไม่ทิ้งระยะกันและกันสิบสองศอกพึงให้รับเนื่องด้วยลําดับตามปกติ แต่เมื่อความเนื่องเป็นแถวเดียวกันเช่นนั้นของพิกษุทั้งหลายไม่มีตนระดึกได้ในที่ใดภายนอกอุปจารศีมาพึงจัดลําดับใหม่ให้ถือเอาในที่นั้นถ้าระดึกได้ในหมู่บ้านแล้วเจอพระพิจุรูปใดก็เรียกไปให้ไปรับพัดนั้นได้แต่ถ้าเกิดเนื่องในอุปจารศีมาหรือว่าในวัดที่อยู่ภายในสีมาก็ต้องจัดตามลําดับพรรษาเมื่อระดึกได้ที่โรงฉันภายในบ้าน พึงให้ถือเอาตามลาดับในโรงฉันระดึกได้ในที่ใดที่หนึ่งก็พึงให้ถือเอาแท้จะไม่ให้ถือเอาไม่ควรก็คือข้อนี้หมดแล้วก็ต้องไปถือเอาของเขาเพราะว่าในวันที่สองจะไม่ได้พัดนั้นถ้าว่าทายกบางคนเห็นพิสุดทั้งหลายออกจากที่อยู่ของตนไปตู่สานักอื่นจึงขอให้แจกอุเทศพัดก็คือพัดที่เจาะจงเนี่ย พิจูตทั้งหลายในภายในที่ใกล้เคียงกับภิกษุทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในอุปจารสีมาเป็นผู้เนื่องเป็นแถวเดียวกันตามในที่กล่าวแล้วนั่นเองเพียงใดพึงให้ถือเอาด้วยอำนาจลำดับในวัดที่อยู่ของตนนั่นแลเพียงนั้นส่วนอุเทสภัก ท, ที่ทายกถวายภิจูตทั้งหลายผู้ตั้งอยู่นอกอุปจารสีมาเมื่อเขากล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงแสดงพิกษุเพียงเท่านี้รูปจากสงฆ ก็คือขอเจาะจงจํานวนพระวิสุจากสงฆ์ดังนี้พึงให้ถือเอาตามลําดับแห่งพิสูผู้มาทันแม้พิสูผู้ตั้งอยู่ในที่ไกลโดยในคือเนื่องเป็นแถวเดียวกันไม่ทิ้งระยะกันสิบสองซอกนอกอุปจาระนั้นนั่นแลพึงทราบว่าผู้มาทันเหมือนกันทาบอย่างเรื่องกันเดินติดต่อกันอยู่ภายในสิบสองซอกนั้นติดต่อกับอุปจาระสีมาเรียกว่ามาทันก็ให้ไปรับพัดนั้นได้ ถาพิกษุทั้งหลายไปสู่วัดใดเขาบอกกับพิจูตทั้งหลายผู้เข้าไปในสำนักนั้นแล้วพึงให้ถือเอาด้วยอำนาจลำดับแห่งวัดนั้นก็คือในวัดนั้นเขาถึงพระพิจูตลาดับพารษาธิ่เทไรให้นับตามลำ ด, ดับนั้นต่อไปแม้ถ้าชายกคนใดคนหนึ่งพบพิกูุที่ประตูบ้านที่ถนนที่ทางสี่เ้งหรือในละแวกบ้านจึงบอกพัดที่จะพึงแสดง จากสงก็คืออุเทศพัทเนี่ยควจริงแล้วเป็นภัทที่เจาะจงหรือว่าแสดงเจาะจงนั่นแหละเรียกว่าอุเทศพัทพึงให้พิกษุทั้งหลายผู้อยู่ภายในอุปจาระในที่นั้นๆถือเอาก็บรรดาอุปจาระแห่งประตูบ้านเป็นต้นนี้อุปจาระเรือนพึงทราบด้วยอำนาจแห่งเรือนเหล่านี้คือเรือนหลังเดียวมีอุปจาระเดียวเรือนหลังเดียวต่างอุปจาระ เรือนต่างหลังกันมีอุปจาระเดียวกันเรือนต่างหลังกันแล้วก็ต่างอุปจาระกันด้วยในเรือนหลังนั้นเรือนใดของสกุลหนึ่งเป็นที่พึงใช้สอยเดียวกันแต่ออกโดยประตูเดียวกันเรือนนั้นในร่วมในแห่งแดงกำหนดช่วกระด้งตกชื่อว่ามีอุปจาระเดียวก็คือมีเจ้าของเดียวนั่นเอง อุเดศล่าที่เกิดขึ้นในเรือนนั้นย่อมถึงแก่ที่สุดทั้งปวงผู้ยืนอยู่แม้ด้วยพิธาจารวัตในอุปจาระนั้นก็คือในเขตอุปจาระเรือนชั่วกระด้งตกนี้ชื่อว่าเรือนหลังเดียวมีอุปจาระเดียวตวนเรือในใดหลังเดียวเขากั้นฝาตรงกลางก็ต้องการอยู่สบายสำหรับภรรยาสองคนตาประตูสำหรับใช้ส่คนละทาง อุเดศลาที่เกิดขึ้นในเรือนนั้นไม่ถึงแก่ทิฏฐุผู้อยู่ภายในห้องฝาด้านหนึ่งถึงแก่ทิฏฐุผู้นั่งอยู่ในที่นั้นๆเท่านั้นนี้ชื่อว่าเรือนหลังเดียวแต่ว่าต่างอุปจาระก็หมายถึงว่าเดินไม่ถึงกันกันห้องเข้าออกคนทางอันนี้เรือนหลังเดียวเจ้าของเดียวแต่ว่าต่างอุปจาระแต่ว่าไม่ถึงกันที่อยู่นั้นไม่เนื่องกัน สนในเรือนใดเขานิมนต์พิสูจเป็นอันมากให้นั่งเนื่องเป็นกระบวนเดียวกันตั้งแต่ภายในเรือนจนเต็มไปถึงเรือนเพื่อนบ้านผู้คุ้นเคยอุทเทสราที่เกิดขึ้นในเรือนนั้นถึงแก่พิกูจนทั่วทุกรูปเรือนแม่ใดของต่างสกุลเขาไม่ทําฝาต้นกลางใช้สอยทางประตูเดียวกันนั่นเองแม้ในเรือนนั้นก็มีนายนี้แลนีิชื่อว่าต่างเรือนตันมีอุปจาระเดียวกัน เพราะว่าใช้สอยร่วมกันเดินถึงกันได้แต่ว่าเป็นคนละเจ้าของก็อเดศราบใดเกิดขึ้นแใจพิสุททั้งหลายผู้นั่งในเรือนต่างกันพิสุททั้งหลายย่อมเห็นกันทางช่องฝาก็จริงถึงกระนั้นอุเดศราบนั้นย่อมถึงใจพิสุท์ทั้งหลายผู้นั่งในเรือ น, นนั้นๆเท่านั้นนี้ชื่อว่าต่างเรือนต่างอุปจาระตันอยู่คนละเรือนกันแล้วก็ทางเดินก็ไม่ถึงกันด้วยแมย้จะเห็นกัน อันหนึ่งพิสุายได้อุเทศสปาที่ประตูบ้านถนนและทางสี่แขร่งสถานใดสถานหนึ่งเมื่อพิกสุอื่นไม่มีจึงให้ถึงแก่ตนเสียแล้วจะได้อุเทศสปาอื่นในที่นั้นนั่นเองแม้ในวันรุ่งขึ้นพิสุนั้นเห็นพิสุอื่นใดเป็นนวกะหรือแก่กว่าก็ตามพึงให้พิสุนั้นรับถ้าว่าไม่มีใครๆเลยพึงให้ถึงแก่ตนแล้วฉันเถิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่มีในสมัยนี้แล้วนะสมัยนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าเขาถวายอุเตสพัทถวายเจาะจงสงนะพระภิกษุรูปไหนรับได้ก็รับเอาไปเลยแต่ว่าถ้าตามพระธรรมวิ น, นัยต้องแจกกันตามลําดับรรษาแม้ว่าอยู่ในบ้านถ้าวันนี้ได้รับอุเตสพัทแล้วพรุ่งนี้ได้รับอีกเจอภิกษุรูปใดก็ต้องให้ภิกษุรูปนั้นไป แต่ถ้ามมีพิษตัวรูปอื่นก็ให้ถึงแก่ตนอีกนี่ก็เป็นไปตามธรรมวินัยหากว่าเมื่อพิสุท์ทั้งหลายนั่งคอยเวลาอยู่ที่โรงฉันอุบาสตกบางคนมากล่าวว่าท่านจงให้บาต ท, ที่เจาะจงจากสงก็คืออุเทสพัทเจาะจงจากสงท่านจงให้อุเทสบาต ท, ท่านจงให้บาตเฉพาะจากสงหรือว่าท่านจงให้บาตของสงควรจัดลำดับแล้วให้อุเดสะบาตบาต ท, ที่เจาะจง แม้เมื่อทายกนิมนต์ว่าขอท่านจงให้พิสุเจาะจงจากสงท่านจงให้พิสุเฉพาะจากสงท่านจงให้พิสุเป็นของสงก็มีในนี้เหมือนกันก็ในเรื่องนี้อุเทสภัพนี้จำต้องปรารถนาพระพัตตุเทศผู้มีศีลเป็นที่รักมีความละอายมีความฉลาดพิสุผู้พัตตุเทศนั้นปึงถามถึงลำดับสามครั้งถ้าไม่มีใครทราบลำดับพึงให้ถือเอา ตั้งแต่เถระอาก็คือเขาจะแจกพักตามลำดับพรรษาวันนี้แจกถึงพรรษาที่เทลอยแล้วถ้าพรุ่งนี้มีอุเดยสพัสก็แจกตามลำดับพรรษานั้นต่อไปแต่ท่าพิจุบังรูปกล่าวว่าข้าพระเจ้าทราบคือทราบลําดับว่าพิจุสิทธิพรรษาได้พึงถามว่าผู้มีอายุสิทธิพรรษามีไหมท่าพิจุได้ฟังคําของเธอจึงบอกว่าเราสิทธพรรษา ปราสิปรญหาแล้วมากันมากยาพึงกล่าวว่าถึงแก่ท่านถึงแก่ท่านพึงสั่งว่าพวกท่านจงเงียบเสียงทั้งหมดแล้วจัดตามลำดับครั้นจัดแล้วพึงถามอุบาศกว่าท่านต้องการทิจุเท่าไรเมื่อเขาตอบว่าเท่านี้เจ้าค่าแล้วยาพึงกล่าวว่าถึงแก่ท่านถึงแก่ท่านพึงถามถึงจานวนพรรษาฤดูทวนแห่งวนันและเงาของพิสูผู้มาใหม่กว่าทุกรูป ก็คือถ้าพรรษาเท่ากันหมดสิทพรรษาเท่ากันหมดเลยก็ต้องถามว่าใครบวชก่อนใครบวชหลังบวชวันไหนสมัยก่อนเขาดูตามฤดูดูตามส่วนแห่งวันว่าใครบวชตอนเช้าบวชตอนกลางวันบวชตอนเย็นสมัยนี้ก็มีเวลาบวชเวลาเท่าไหร่ที่นาฬิกาวันไหนเดือนไหนนับตามลําดับถ้าเมื่อกําลังถามถึงเงาอยู่หรือว่าใครบวชก่อนบวชหลังเนี่ย พิกษุผู้แก่กว่ารูปอื่นมาถึงพึงให้แก่เธอถ้ากําลังถามอยู่นะพิกสุรูปอื่นแก่กว่าต้องให้แต่พิกษุผู้แก่กว่าก่อนถ้าเมื่อถามถึงเราเสร็จแล้วสั่งว่าถึงแก่ท่านด้วยดังนี้พิกษุผู้แก่กว่ามาถึงก็หาได้ไม่เพราะว่าเขาจัดลําดับไปแล้วจึงอยู่เมือ่อพิกษุผู้แก่กว่านั่งด้วยความชักช้าแห่งถ้อยคําก็ดีหลับเสียก็ดีก็คื อ, คอมัวแต่คุยกันหรือว่ามัวแต่หลับเสีย อุเทศสภัพด์ที่ให้พิสุผู้ใหม่กว่าถือเอาแล้วก็เป็นอันให้ถือเอาเสียแล้วด้วยดีข้ามเลยไปเสียก็เป็นอันข้ามเลยไปด้วยดีจึงอยู่ธรรมดาของที่ควรแจกกันนั้นย่อมถึงแต่พิสุผู้มาทันเท่านั้นความเป็นผู้มาทันในที่นั้นพึงกำหนดด้วยอุปจาระก็คือต้องเข้าเขตอุปจาระสีมามาจึงสามารถที่จะมีสิทธิในการที่จะรับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือว่าอาหารบินตาบ ก็แลในโรงฉันภายในเครื่องล้อมเป็นอุปจาระลาบย่อมถึงแต่พิจุผู้อยู่ในอุปจาระนั้นชะนี้แลถ้าเป็นโรงฉันในบ้านเนี่ยนะก็เอาเครื่องล้อมของโรงฉันนั่นเหมือนกันเป็นอุปจาระถ้าเป็นอุปจาระสีมาก็เอาเครื่องล้อมของสีมาของวัดนั่นกันถ้ายก บ, บางคนใช้คนให้นําอุเทสบาทแปดบาทคือแปดใบ มาจากโรงฉันบรรจุโภชนะปรณีเต็มเจ็ดบาทใส่น้ำเสียบาทหนึ่งตรงไปยังโรงฉันคนถือมาไม่พูดว่าอะไรประเคนไว้ในมือพิกษุทั้งหลายแล้วหลีกไปพัดใดที่พิกษุใดได้ไดแล้วพัดนั้นย่อมเป็นของพิกษุนั้นนั่นแหละส่วนภิกษุใดได้น้ำพึงงดลำดับแม้ที่ข้ามเลยไปแล้วของพิกูุนั้นเสียให้เธอถือเอาอุเดสะพัดส่วนอื่น ถ้าตรงอุเดสปาดไปบาทที่เจาะจงจากสองแปดใบใส่อาหารประนีตมาเต็มเจ็ดใบอีกใบหนึ่งใส่น้ำมาใบาใส่น้ำมาให้ใครล่ะบาทของใครก็รับไปแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ให้ไปรับใหม่วันนี้เอาแต่น้าไปฉันก่อนก็แล้วกั น, กนต้องไปเที่ยว บ, บินส บ, บาทใหม่ก็แลเธอได้อุเดสะพส่วนนั้นจะเศร้าหมองก็ตามหมายถึงว่าให้ถือเอา อุเตสภาพส่วนอื่นไปนะ้ะเพราะว่าน้ําเนี่ยมันไม่ใช่พัฒตาหารไม่ใช่อาหารงัก็ถือว่าไม่ได้ก็ต้องเอาอุเตสภาพส่วนอื่นก็แลเธอได้อุเตสภาพส่วนนั้นจะเศ้ามองก็ตามประณีตก็ตามมีตรจีวรเป็นบริวารก็ตามพัฒนนั้นย่อมเป็นของเธอทั้งนั้นจึงอยู่พัฒนเช่นนี้เป็นบุญยกวิเศษของพิกษุนั้นก็เพราะเหตุที่น้ําไม่เป็นอมิตรฉะนั้นเธอย่อมได้อุเตสภาพอื่นอีกถ้าเกิด ส่งบาตรไปแล้วก็เกิดถวายน้ํามาในบาตรส่วนบาตรใบอื่นก็เต็มด้วยอาหารอันก็ถือว่าเป็นโมคะก็ต้องไปเอากูเดจสัพัอื่นแต่ถ้าเหล่าชนผู้ถือมานั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าพัททั้งปวงนี้ท่านจงแบ่งกันฉันเถิดดังนี้แล้วจึงไปเที่ยงตัวทั้งปวงแบ่งกันฉันแล้วแล้วพึงดื่มน้ําก็คือต้องแบ่งทั้งพัทฐ า, ารแล้วก็น้ําแบ่งกันดื่มแบ่งกันฉันถ้าชายยกก็บอกให้แบ่งกันเนี่ย แต่เมื่อทายกกล่าวว่าท่านเจาะจงเฉพาะสงฆ์ให้พระมหาเทระแต่รูปให้พิกสุปูนกลางให้ภิกษุปูนใหม่หรือว่าให้สามเณรผู้มีปีครบให้พิกษุผู้กล่าวมัชชิมนิกายเป็นต้นจงให้พิกษุผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าพิกษุผู้พักตุเทศก็พึงชี้แจงว่าอุบาสกท่านพูดอย่างนี้แต่ลำดับของท่านเหล่านั้นยังไม่ถึงดังนี้แล้ว เพิงให้เนื่องด้วยลำดับนั่นเองถ้าเกิดทายกเขาจะมาเจาะจงบอกว่าจะถวายอุเทศสพัสแก่ญาติของข้าพเจ้าแก่พิกสุที่เป็นญาติหรือว่าพระพิสุที่ตรงมัชฌิมนิกายพิกษุรูปนั้นรูปนี้อันนี้ไม่ได้ต้องเป็นไ ป, น ป, นปนตามลำดับดังนันพระดุเทศต้องบอกว่าอันนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าพิสุเหล่านั้นยังไม่ถึงลำดับอันหนึเมื่อพิกษุนมและสามเณรได้อุเทศสพัสแล้วถ้าในเรือนของพวกทายกมีการมงคล พึงสั่งว่าพวกเธอจงนิมนต์อาจารย์และอุปชาของเธอมาเถิดก็ในอุเทสพัดใดส่วนที่หนึ่งถึงแก่พวกสามเณรส่วนรองถึงแก่พระมหาเทระทั้งหลายในอุเทสพัดนั้นสามเณรย่อมไม่ได้เพื่อจะไปข้างหน้าด้วยทําในใจว่าเราทั้งหลายได้ส่วนที่หนึ่งพึงไปตามลําดับเดิมนั่นแหลเมื่อยายกกล่าวว่าท่านจงเจาะจงจากสง์มาเองเถิดดังนี้ เพ็กสุพึงกล่าวว่าสําหรับเราท่านจะทราบได้โดยประการอื่นบ้างแต่ลําดับย่อมถึงอย่างนี้ก็คือต้องเป็นประจําลําดับนั้นถ้าเกิดสมัมมณีเนี่ยได้ลําดับแรกเลยก็คือเขาแจกพัดไปจน่นถึงทีวสามนเณีพอดีเลยนั้นต่อมาเขานิมนต์อุเทศพัดสมัมเณีก็ได้ส่วนที่หนึ่งเลยถราสังฆเถระก็ได้ส่วนที่สองแต่สมัมมณีจะนําหน้าไปไม่ได้ไปตามลําดับนี่แหละแต่ว่าเวลารับ ก็รับส่วนที่หนึ่งไปงั้นกนติกาอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะหากว่าเขากล่าวว่าท่านจงให้บาตรที่อุทิศจากสงมาถึงเจาะจงจากสงดังนี้เมื่อบาตรอันพระพระตุเทศยังไม่ทันสั่งให้ถือเอาก็ช่วยเอาบาตรของพิจสดรูปใดรูปหนึ่งบรรจุเต็มนำมาแม้อุเทสภักที่เขานำมาแล้วพึงให้ถือเอาตามลำดับเหมือนกัน ก็ให้ถือเอาตามลำดับเพราะว่าบาทนั้นเป็นบาทของพิกจูรูปไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ไม่ใช่บาทของพิจูที่ถึงลำดับนั้นอก็ต้องเอาแจกตามลำดับให้ถือเอาตามลำดับชนผู้หนึ่งซึ่งเขาใช้ไปว่าท่านจงนําบาทเจาะจงสงมาก็คืออุเดสบาทดังนี้กล่าวว่าท่านเจ้าข้าท่านจงมอบบาทใบหนึ่งเราจักนํานิมมันตนาพัทมาถวายก็คือพัทที่นิมนต์ถ้าชนนั้น ที่สุดทั้งหลายทราบว่าผู้นี้มาจากเรือนอุเทสพัทก็คือเรือนของคนที่เคยถวายอุเทศพัทไม่ใช่นิมันตนพัทจึงถามว่าท่านมาจากเรือนโน้นไม่ใช่หรือจึงตอบว่าถูกแล้วท่านผู้เจริญไม่ใช่นิมันตนพัทแต่เป็นอุเทสพัทพึงให้ถือเอาตามลำดับฝ่ายชนใดเมื่อเขาสั่งว่าจงนําบาทรไปหนึ่งมาจึงย้อนถามว่าจะนําบาทอะไรมา ได้รับตอบว่าจงนํามาตามชอบใจของท่านดังนี้แล้วจึงมาชนนี้ชื่อว่าวิสัทธทูตวิสัทธทูตมาถึงทูตที่เขายอมตามใจก็คือจะเอาบาตรอะไรมาก็ได้เอาบาตรของอุเตศบาทหรือว่าบาตรของสงมาต้องการบาตรเฉพาะสงหรือว่าบาตรตามลําดาบหรือว่าบาตรตวนตัวบุคคลอันใดพึงให้บาตรนั้นแก่เขา ผู้หนึ่งเป็นคนโง่ไม่ฉลาดซึ่งเขาใช้ไปว่าจงนำบาศเฉพาะสงมาก็คือบาศ ท, ที่จะจงสงดังนี้ไม่เข้าใจที่จะพูดจึงยืนนิ่งอยู่เพกรสูมไม่ควรถามเขาว่าท่านมาหาใครหรือว่าท่านจักนำบาศของใครไปเพราะว่าเขาถูกถามอย่างนั้นแล้วจะพึงตอบเรียนคำถามว่ามาหาท่านหรือว่าจักนำบาศของท่านไป มันบอกว่าโยมมหาใครล่ะไม่รู้มาหาใครมาหาท่านกันแล้วกันถือว่าจาเอาบาตรของใครไปล่ะอาบาตรงท่านหนึ่งกแล้วกันไม่ควรถามเพราะว่าเดี๋ยวโยมเขาจะตอบเรียนคําถามเพราะเหตุที่กล่าวนั้นพิจูตเราอื่นจะพากันชังไม่พึงแลดูพิกูุนั้นก็ได้ที่เหมาะควรถามว่าท่านจะไปไหนหรือว่าท่านเที่ยวทําอะไรเมื่อเขาตอบว่ามาเพื่อต้องการบาตเฉพาะสงดังนี้ ให้พิสู่นถือเอาแล้วพึงให้บาดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุเดสะพัสคือบาด ท, ที่เจาะจงบาดเจาะจงก็เป็นชื่อท่านั่นเองนเพราะว่าถ้าเป็นการถวายสังกพัพทก็คือถวายแก่สงถ้าอุเดสะพัสก็หมายถึงอาหารที่เจาะจงสงก็คือเจาะจงว่าจะขอพิสูจน์สักี่รูปห้ารูปสิบรูปพระุทเทก็จะจัดไปให้ตามดับ ที่จัดว่าลำดับกงนั้นมีอยู่ชนิดหนึ่งจึงอยู่ในพระราชนิเวศหรือในเรือนของราชมหาำมาร ถ, ถวายอุเทสพัสอย่างประณียยิ่งแปดที่เป็นนิดพิกตุทั้งหลายจัดอุเทสพัสเหล่านั้นให้เป็นพัสที่จะพึงถึงแกพ่พิจษุรูปหลับครั้งฉันตามลำดับแผนหนึ่งพิจษุบางพวกคอยกำหนดลำดับของตนว่าพรุ่งนี้แลจจกถึงแก่พวกเราดังนี้ แล้วไปครั้นเมื่อพิกตุเหล่านั้นยังมิทันจะมาพิกตุอาคันตุกะเหล่าอื่นมานั่งที่โรงฉันในขณะนั้นเองราชบุุษพากันกล่าวว่าท่านจงให้บาสําหรับ ป, ปณีตัพักคือพักที่ประนีตพวกพิกตุอาคันตุกะไม่ทราบลำดับจะให้พิกษุทั้งหลายถือเอาในขณะนั้นนั่นเองพิกจุผู้ทราบลำดับก็พากันมาจึงถามว่าท่านให้ถือเอาอะไร พิสุอาคันตุกะตอบว่าปณีตพัทในพระราชนิเวศพิสุผู้ทราบลำดับถามว่าตั้งแต่พรรษาเท่าไรไปพิสุอคันตุกะตอบว่าตั้งแต่พรรษาเท่านี้ไปพวกพิสุผู้ทราบลำดับพึงห้ามว่าอย่าพึงให้ถือแล้วให้ถือเอาตามลำดับก็คือพระคันตุกะนี้ไม่รู้หรอกว่าถึงพรรษาไหนแล้วเพื่อ น, นก็พิสุที่รู้ก็ให้ถือเอาตามลำดับที่ถึง พิสุทั้งหลายผู้ทราบลำดับมาแล้วในเมื่อพิสุอาคันตุกะให้พิสุทั้งหลายถือเอาแล้วก็ดีมาแล้วในเวลาที่จะให้บาทก็ดีมาแล้วในเวลาที่ให้ไปแล้วก็ดีคือให้บาทไปแล้วก็ดีมาแล้วในเวลาที่ราชบุตรยังบาตให้เต็มนำมาจากพระราชนิเวศก็ดีมาแล้วในเวลาที่พิสุอาคันตุกะทั้งหลายถือบินทบาซึ่งพระราชทรงใช้ราชบุตรแต่ว่า วันนี้พิกษุทั้งหลายจงมาเองเถิดดังนี้แล้วทรงประเคนบิณฑบาตในมือของพิกษุทั้งหลายนั้นแลแล้วจึงกลับมาก็ดีแล้วห้ามว่าอย่าฉันถ้าเกิดเขามีลำดับของพระพิกสุเจ้าทินอยู่นี้นะพระคันดุกะมาก็มาถึงก็มาจัดลำดับไปรับอาหารของพระราชานี่ถ้าเกิดพระที่รู้ลำดับมาถึงเมื่อไหร่ต้องห้ามต้องห้ามว่าอย่าฉันแม้นําอาหารมาแล้วก็ตาม แล้วฝึงให้พิจิตทั้งหลายถือเอาตามลำดับเธอก็คือเอาคืนมาเอาคืนมาแล้วก็มาจัดตั้งตามลำดับหากว่าพระราชาทรงนิมนต์พิจิตอาคันตุกะเหล่านั้นฉันแล้วยังบาตรของพวกเธอให้เต็มแล้วถวายด้วยพัดที่เธอนํามาก็ถวายกลับมาอีกให้พระจักรอคันตุกะฉันเรียบร้อยแล้วก็ยังถวายมาอีกพัดที่เธอนํามาฝึงให้ถือเอาตามลำดับเหมือนกันก็มาตั้งตามลำดับใหม่ แต่ถ้ามีพักเพียงเล็กน้อยที่เขาใส่บาท ด, ด้วยคิดว่าเทือกศุททั้งหลายอย่าไปมือเปล่าพรกนั้นไม่พึงให้ถือเอาพระมหาสุมเถระกล่าวว่าถ้าฉันเสร็จแล้วมีบาทเปล่ากลับมาพักที่พวกเธอฉันแล้วย่อมเป็นสินใช้แก่พวกเธอก็คือต้องมาใช้คืนไปฉันไม่ได้เป็นไปตามลาดับที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยฝ่ายพระมหาปฐุมมัเธระกล่าวว่า ในการฉันปณิปัพนี้ไม่มีกิจเนื่องด้วยสินใช้ทิสุผู้ไม่ทราบลำดับพึงนั่งรอจนกว่าทิสุผู้ทราบจะมาแม้เมื่อเป็นเช่นนี้พัดทิสุทั้งหลายฉันแล้วก็เป็นอันฉันแล้วด้วยดีแต่ไม่พึงให้เธอถือเอาพัดอื่นในที่ที่ถึงเข้าในบัดนี้พระมหาสุมากับพระมหาปฐุมนี้ท่านจะมีความเห็นแตกต่างกันหน่อย เพรนั้นถ้าไปฉันพัดนั้นแล้วพระมหาสุมาบอกว่าเป็นสินใช้ส่วนพระมหาปทุมก็บอกว่าไม่เป็นสินใช้แต่ว่าไม่ถือเอาพัดอื่นอีกบินธบาตหนึ่งมีราคาหนึ่งร้อยมีตรายชีวรเป็นบริวารถึงแก่พิจูไม่มีปภาษาและพิจูในวิหารจดบันทึกไว้ว่าบินธบาตเห็นปานนี้ถึงแก่พิจูไม่มีปัญษาถ้าว่าต่อล่วงไปหกสิบปีบินธบาตเห็นปานนั้นอื่น จึงเกิดขึ้นอีกไซสถามว่าบินตบาทนี้จะพึงให้ถือเอาตามลำดับผู้ไม่มีภาษาหรือว่าจะพึงให้ถือเอาตามลำดับเพกสุผู้มีภรษาหกสิบบินตบาทที่ประนีตอย่างนี้นะคือมีราคาตั้งร้อยหนึ่งแล้วก็มีไตรจีวรเป็นบริวารด้วยแล้วนาน า, นานจะเกิดขึ้นทีหนึ่งก็คือหกสิบปีถึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นถึงพิสูจนผู้ไม่มีภาษาพอถึงภิสูุผู้ไม่มีภาษาแล้วว่าอีกหกสิบปีจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถามว่าถ้าเกิดขึ้นเนี้ยจะให้ถือเอาตามลำดับของพิสูจนผู้ไม่มีภาษาหรือว่าจะพึงให้ถือเอาตามลำดับของพิสูจผู้มีภาษาหกสิบซึ่งคราวที่แล้วเขาก็รับไปแล้วอ่ะตอนที่เขาไม่มีภาษาใช่ไหมตอบว่าในอากมาทั้งหลายท่านกล่าวว่าพึงให้ถือเอาตามลำดับพิสูจนผู้มีภาษาหกสิบ กรอบหนึ่งอะเพราะว่าพิสูจนี้รับตามลําดับพิสูุแล้วก็แก่ไปเองตรงนี้หมายความว่าอย่างไรดูด้วยนะก็คือให้ถึงตามลําดับเขาก็จะนับปัญหาไปจนท่งถึงบนสามหกสิบใช่ไหมพิสูจน์พู้ที่ไม่มีปรรหานั่นแหละพิสูจรูปหนึ่งฉันอุเทนสัพพัฒแล้วลาสิกขาเป็นสรมเดนย่อมได้เพื่อถือเอาพัตนั้นอันถึงตามลําดับแห่งสา ม, มเดนอีก พระบวชเป็นสามเณรหมายถึงเป็นพระพิสุแล้วพะฉันอุเทศสัพพัทแล้วก็ลาไปเป็นสามเณรพอลาเป็นสามเณรอุเทศสัพัทก็มาถวายอีกก็ถึงเมื่อตามลําดับลําดับลําดับก็ไปถึงสามเณรอีกได้อีกรอบหนึ่งได้ยินว่าพิสุนี้ชื่อว่าผู้ตกเสเนระหว่างจะเป็นผู้ตกเสนระหว่างก็คือตกจากพิสุมาเป็นสามเณรนะนะฝ่ายสามเณรรูปใดมีปีบริบูรณ์คิดว่าจับได้อุเทศสัพัทในวันรุ่ง ถ้าอุปสมบทเสียในวันนี้ลำดับของสำเนรูปนั้นเป็นอันเลยไปเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นสำเนรแล้วเป็นพระพระิจุไปแล้วถ้าเป็นสำเนรบวชมาห้าปีแล้วก็ลำดับก็ถึงพอดีวันนี้สำเนรบวชมาห้าปีจะได้รับพรุ่งนี้สำเนร์หกปีจะได้รับบวชมาหกปีจะได้รับดังนั้นวันนี้ก็สำเนร์ก็าอายุยี่สิบนี่ไปบวชเป็นพระ ก็เลยไปก็ถึงแก่พิจุที่บวชมาหกปีใช่ไหมของสำเนินที่บวชมาหกปีเพราะฉะนั้นของสมเนินนี้ก็เลยกันเลยสำเนินที่บวชเป็นพระพิจุเนี่ยก็ไปรอรับคิวของพระพิจุต่อไปอุเทศสะพัส ถ, ถึงแก่พิจุ ร, รูปหนึ่งแต่บาศของเธอไม่เปล่าแมบาบถึงว่าในบาศเนี่ยมีอาหารอยู่เธอจึงให้มอบบาศแก่พิจุอื่นซึ่งนั่งใกล้กันไปแทนหมายถึงว่าขอยืมบาศพิจุ ร, รูปอื่นให้ไป หากว่าชนเหล่านั้นนำบาตนั้นไปเสียด้วยความเป็นขโมยเป็นสินใช้แก่เธอก็คือคนที่ให้เอาบาตของภิสุรูปอื่นให้ไปเป็นสินใช้ต้องมาคืนเขาเพราะตัวเองเป็นคนสั่งให้เอาไปแต่ถ้าว่าภิสุรุนั้นยอมให้ไปเองด้วยคิดว่าเราให้บาตของเราแทนท่านไม่เด็นสินใช้เพราะว่าภิสุทเจ้าของนั้นให้เอง แม้ถ้าว่าพิสูจนนั้นเป็นผู้ไม่มีความต้องการด้วยพัดนั้นจึงบอกกับพิสูจอื่นว่าพัดของเราพอแล้วเราให้พัดนั้นแก่ท่านท่านจงส่งบาตรไปให้นํามาเถิดสิ่งใดเขานํามาจากที่นั้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นของพิสูจผู้เจ้าของบาตรเพว่าพัดที่ถึงคิวแก่พิสูจผู้ที่จะได้รับพัดนั้นนะ่ะเขาสละแล้ว่เขาให้การพระพิสูจนที่เป็นเจ้าของบาตรพอนั้นก็เป็นของพิสูจที่เป็นเจ้าของบาตร หากว่าคนที่นำบาตรไปรักไปเสียคือลักบาตรไปเสียก็เป็นอันรักไปด้วยดีแล้วไม่เป็นสินใช้เพราะเธอได้ให้พัดแก่เจ้าของบาตรไปแล้วก็ไม่ต้องนำมาใช้ในวัดมีพิกจุ1ิรูปในสิบรูปนั้นเป็นผู้ถือปิณณาปติกะทุดงเสียเก้ารูปรูปหนึ่งยินดีก็คือไม่ได้ถือบิณฑบาบินดีในการรับนิมนต์ เมื่อทายกกล่าวว่าท่านจงมอบบานสำหรับอุเทสพัสสิบบาทเทกสูผู้ถือปินณปาติกาธุดงไม่ปรารถนาจะถือเอาเทกสูรนอกนี้รับด้วยคิดว่าอุเทสพัสทั้งหมดถึงแก่เราดังนี้ลำดับไม่มีก็คือไม่ได้ตั้งตามลำดับหากว่าเธอรับเอาให้ถึงทีละส่วนทีละส่วนลำดับย่อมคงอยู่ก็หมายถึงว่าถ้ารับอุเทศพัสมาสิบาทเนี่ย ถ้าบอกว่าอุเทนสพลาดสิบบาทนถึงแก่เราอันนี้ไม่มีลําดับถ้าเขาถวายอุเทนสพลาดอื่นมาอีกต้องถึงแก่บิกตูรูปอื่นแต่ถ้าบอกว่าเอาส่วนที่หนึ่งถึงแก่เราตัวที่สองถึงแก่เราส่วนที่สามนั่ถึงแก่เราถ้านับอย่างนี้นะถ้ามีบิดาบาตอื่นเกิดขึ้นอีกถึงแก่ตัวเองได้อบิคตุนั้นครั้นให้รับแล้วอย่างนั้นให้เขานํามาทั้งสิบบาทแล้ว ถวายเก้าบาท normalized. แก่ทิกตุผู้ถือปินดาปาติกาทุดงว่าขอท่านผู้เจริญจงทําความสงเคราะห์แต่ข้าพเจ้าพักชนีดจัดเป็นพักที่ทิกตุถวายทิกตูผู้ถือปินดาปาติกะทุดงสมควรรับได้อาจารย์เขาถวายอุเทสพัดแต่ว่าทิกตุที่ไม่ได้ถือทุดงรับมาแล้วมารับมาแล้วก็อาไปถวายทิ่ตุผู้ถือปินตาปาติกาทุดงเนี่ยสมควรรับได้เพราะว่าเป็นพักที่ทิกตูถวาย หากว่าอุบาสกนั้นนิมนต์ว่าท่านผุเจริญพึงไปเรือนและพิสูจนนั้นชวนพิสูจเหล่านั้นว่ามาเถอท่านผู้เจริญจงเป็นเพื่อนข้าพเจ้าดังนี้แล้วไปยังเรือนของอุบาสกนั้นเธอได้สิ่งใดที่ในเรือนนั้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นของเธอเท่านั้นพิสูุนอกนี้ย่อมได้ของที่เธอถวายหากว่าอุบาสกนั้นนิมนต์ให้นั่งในเรือนนั้นเองและถวายน้ำทักิโนทก ถวายยาคูและของขอบเคี้ยวเป็นต้นแการพิจุเหล่านั้นยาคูเป็นต้นนั้นจ้องควรแต่พิกจุผู้ถือปิณฑาปาติกะทุดงนอกนี้เฉพาะด้วยถ้อยคําของพิจุนั้นที่ว่าท่านผู้เจริญชนทั้งหลายถวายสิ่งใดท่านจงถือเอาสิ่งนั้นเถิดดังนี้เพราะฉะนั้นพิกจุที่ไม่ได้ถือปิณฑาปฏิกะทุดงถ้าเขามานิมนต์แล้วพิกจุรูปนี้ก็ฉลากะชวนพิจุ ที่ถือเป็นนปารติกาทุดรงไปด้วยว่าให้เป็นเพื่อนผมแล้วก็สิ่งใดที่ก็ถวายทั้งหมดก็ท่านเจ้าถือเอาเธอเพรว่าข้าของทั้งหมดก็เป็นของพิกสุนะพิกสุที่ไม่ได้ถือเป็นปนภารติกาทุดรงตอนนั้นก็อนุญาตพิกสุที่ถือเป็นนปารติกาทุดรงสามารถฉันได้พวกทายกบรรจุพัดลงในบาจนเต็มแล้วของพิกสุผู้ฉันเสร็จแล้วถวายเพื่อต้องการให้ถือเอาไปพัดทั้งหมดย่อมเป็นของพิกสุนั้นเท่านั้น พักที่ที่สุนั้นให้จึงควรแก่พวกทิ่สุนอกนี้ก็คือผู้ที่ถือปินดาปาติกะทุดงนั้นแต่ถ้าว่าพิกสุผู้ถือปินดาปาติกะทุดงเหล่านั้นอันภิกสุนั้นผดียงไว้แต่ในวัดว่าท่านผุเจริญจงรับภิกษาของข้าพเจ้าและสมควรทําตามถ้อยคําของพวกชาวบ้านดังนี้จึงไปไซพวกเธอฉันพัดใดในที่นั้นและนําพัดใดในที่นั้นไป พัดนั้นทั้งหมดเป็นของพวกเธอเท่านั้นก็คือเป็นของส่วนตัวกันแม้ถ้าว่าพวกเธออันภิกษุนั้นไม่ได้ผดียงว่าท่านจงรับภิกษาของข้าพเจ้าแต่ได้รับผดียงว่าสมควรทําตามคําของชาวบ้านดังนี้จึงไปหากว่าพวกชาวบ้านฟังภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุเหล่านั้นผู้ทําอนุโมทนาด้วยเสียงอันไพเราะและเลื่อมใสในอาการอันสงบระงรับของพระเถรรัทั้งหลาย จึงถวายธรรมะบริขารเป็นอันมากลาบนี้เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมใสในหล่าพระเถระจัดเป็นส่วนพิเศษเพระนาะฉะนั้นย่อมถึงแก่ทิฏฐุทั่วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุทเทสภะซึ่งก็มี ร, รายละเอียดตอนสุดควรนะแต่ว่าวันนี้ก็หมดเวลาก่อนเอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้นข อ, ขออนุโมทนาสาธุ ข, ขออนันู้ที่ ต้องจำคำสอนอบรมไตรสิกขารักษาพวินัยเพื่อเพื่อกูลแก่ตนเองนะคระบศาสนาอนุโมทนาสาธุ